เรียกว่าเป็นผู้มีข้อวัดอยู่อารมณ์กับของธรรมะอันใดอันหนึ่งเช่นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นหรือภาวนาอันใดอันหนึ่งหรือนึกถึงกุศลผลบุญอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นทานวัตศีนวัตภาวนาวัตเป็นต้นทานทำไมมาันสำเร็จด้วยการ บริจากทานศีนธมัยุบุญสมเด็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาอภปจายุบุญสมเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่เวียวัจจะไม่บุญสําเร็จด้วยการช่วยค้นคว้าในคิดที่ชอบบัติธานะไมยบุญสาเร็จด้วยการ ให้ส่วนบุญปัตตานุโมทนาไม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญธรรมะสวรรค์ไม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมะเทศนาไม่บุญสำเร็จด้วยการสแสดงธรรมทิฏฐุชุก ร, รม การทําความเห็นในตรงก็เป็นบุญอันหนึ่งความทําความเห็นในตรงคือเห็นว่าบาปมีบุญมีมรรคผลนิพพานมีคุณวีนามานามีคุณทานคุณฉีนคุณภาวนามีคุณพระพุธพระสรมพระสงฆ์มีเรียกว่าทิฏฐิชุกรรมความทําความเห็นใหนตรงเห็นว่ามรรคผลนิพพานมีด้วย เอาหนังสือให้ครบชุดครับไหมครบชุดนะที่ว่าประวัติก็ได้แล้วได้แล้วครัทำคำสอนก็ได้แล้วได้แล้วครับผมอยู่ไกลครับก็ที่พึ่งมายากทางโน้นครับเออพุทธธรรมสงก็ได้แล้วได้แล้วครัเออทำเป็นคล้องกลางได้แล้วหรือ อ, อ่านจบสิเล่มหรือไม่หรื อ, อยังไม่จบจบครับประวัติจบชี้ว่าระวัตนะโชคโชนไหมชี้ว่าประวัติอชคชนแล้โวโซเป็นโซตายใช่ไหมใช่ครับอเอาชีวิตแรกใช่ไหมใช่ครับ อ, อยู่คนเดียวเปลี่ยวกายาไปคนเดียวเปี่ยวกายา น้ำตาไลเกิดสังเวชแต่ไม่นึกกลัวนึกสังเวช ท, ที่ตนได้เคยท่องเที่ยวมาในวัฏสงสารความนึกสังเวชในส่วนตัวที่ได้ท่องเที่ยวท่องท่องเที่ยวมาในวัฏสงสารนี่ไม่ใช่นึกกลัวนึกสมเพศนึกน้ำตาไร เป็นปีติอิงสังเวชปีติอิงโทมนักในโลกนี้มีแต่สังขารยัดเยียดกันสัพพโลกทั้งปวง ร, รวมลงมาในสังขารโลก สัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชักกามาพัจระหกชั้นพรหมโลกได้แก่รูปปภม1ิหกชั้นและอรูปปภมสี่ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังฆารโลก สังขารโลกเมภาพพทธเป็นยังไงมีผลลับเป็นยังไงสังขาราปรมาทุขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งสังขารโลกสังขารโลกแบ่งออกเป็นสองอุปาทินนกสังขารสังขารที่มีใจครองอนุปาทินนัก สังขารสังขารที่ไม่มีใจครองเช่นดินร่วนร่วนน้ำร่วนร่วนไฟร่วนร้วนลมร่วนร่วนไม่มีใจครองสังขารทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็เปรพูนแรงแตกสลายไปเป็นยุกยุกยุุกติดกันจนเป็นพืช พระวลมศารจ า, าทรงสั่งสอนว่าเธอทั้งหลายอย่ายินดีในสังหารทั้งพวงเลยเธอทั้งสาวทั้งหลายจงเห็นโทษในสังหารทั้งพวงที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายไม่อยู่ในสมประสงค์ของพวกเธอที่ปรารถนาไว้เธอทั้งหลายจงคลาย ความหลงของเจ้าตัวที่เคยลงมาซักนั่นคือตัวศีลอันยิ่งนั่นคือตัวสมาธิอันยิ่งนั่นคือตัวปัญญาอันยิ่งกลมกลืนกันอยู่เป็นเชือกสามเกลียวเมื่อใดเห็นสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็จะนายในทุกข์ จน่นายในความหลงของตนเสียไปยึดถือเอาทุกเป็นตนตนเป็นทุกขไปยึดถือเอาสังขารเป็นตนตนเป็นสังขารยงทําจิจให้ว่างยงปล่อยวางความเข้าใจผิดนั่นเสียปะปรมศ า, าสราเมื่อเธอไม่ยินดีในสังขารทาั้งพวงแล้วเธอรู้ตามเป็นจริงของสังขาร สังขารมีภาพพจน์เกิดขึ้นแปรปวนละดับไปเท่านั้นไม่มีภาพพจน์อันอื่นไม่มีลูกไม้อันอื่นเลยผลลับก็คือทุกข์เราดีนี่เองสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเกิดขึ้นแปรปวนได้แตกสลายแล้วสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหา อันนี้เป็นปัญญาวิปัสสนาญาณไม่ใช่สมถะไม่ใช่สมาธิหัวตอันนี้เป็นอุบายที่จะให้นายความหลงของตนที่เคยหลงมาจะเห็นโทษความหลงของแก้วตัวที่เคยหลงมาเป็นเวลาชาา น, าน ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายถ้าเธอรู้ตามเป็นจริงแล้วอวิชชาความโง่เง่าเต่าตุนของเธอก็จะแตกกระจิงพระบรมศ า, าสนาสอนอย่างนั้นเมื่อความโง่ของเธอแตกกระจิงไปแล้วต่อแากนั้นปัญญาของเธอก็อจะบวกคูนทวีเหมือนดังพระจันทร์ในวันข้างขึ้น แต่ไม่กลับมาเลมอีกเหมือนวันเรีมคำหนึ่งหรือสองสามสี่เป็นต้นพระบรมศ า, าสนาตอนอย่างนั้นนี่เป็นธรรมเบื้องสูงของพระพุทธศาสตรนาเป็นศีลเบื้องสูงด้วยเป็นสมาธิเบื้องสูงด้วยเป็นปัญญาเบื้องสูงอยู่ในตัวกลมกลืนกันเป็นกองทับธรรมด้วยเข้าใจนะทีนี้ เธอจงเห็นความเกิดขึ้นแปรปวนและแตกสลายพร้อมกับลมหายใจเข้าออกยิ่งดีนะักเห็นสังขารไม่เที่ยงพร้อมกับลมหายใจเข้าออกยิ่งดีนะักเห็นความตายพร้อมกับลมหายใจเข้าออกยิ่งดีนักหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็อบอกว่าตายหายใจออกแล้วไม่เข้าออก็เล่าว่าตาย นี่ก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งตกลงมาเมื่อเห็นสังขารชัดในปัจจุบันแล้วสังขารอื่น ๆ, ๆก็มารวมกันอยู่ในที่นั้นเองพราะเห็นอันหนึ่งแล้วก็ต้องเห็นหมดเช่ น, นเราเห็นธาตุดินก้อนหนึ่งแล้วก็เท่ากับว่าเราเห็นธาตุดินหมดเราเห็นธาตุน้ก้อนหนึ่งแล้วก็ๆๆเท่ากับว่าเห็นธาตุน้าหมด เพราะมีลักษณะเป็นของแข็งและเป็นของเหลวงน้ามาดินเป็นของแข็งเราเห็นลมขณะจิตหนึ่งก็เท่ากับว่าเห็นลมหมดเพราะลักษณะของลมก็พัดไปมาเราเห็นธาตุไฟักขณะจิตหนึ่งก็เท่ากับว่าเราเห็นธาตุไฟหมดเพราะมีลักษณะอบอุ่นและร้อนไม่เตรียมไม่เตรียมไปเข้าใจนะที่นี่ เราเห็นทุกในปัจจุบันขณะคิดหนึ่งเราก็เห็นทุกรอบหมดแล้วในใจโลกธาตุนีทั้งอดีตทั้งอนาคตด้วยเพราะเราเอาปัจจุบันเป็นพยานเองได้ทั้งหนังทั้งเขาด้วยถูกไหมครับอดีตดล่วงไปแล้วมีแต่ชื่ออนาคตก็ยังไม่มาถึงก็มีแต่ชื่อเหมือนกันสมมติว่า เงินมีในอดีตใช่ไปแล้วมีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินอนาคตมีเงินอยู่แต่ยังไม่มาถึงปัจจุบันมีทั้งตัวเงินมีในปัจจุบันด้วยมีทั้งหนังทั้งเขาร้วยชั้นใดก็ดีเมื่อเห็นอันใดในปัจจุบันชัดอดีตอนาคตในชั้นนั้นนั้นก็ไม่ต้องสงสัย เห็นความเกิดทุกข์ในปัจจุบันความเกิดทุกข์ในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นอันนี้จังชัดในปัจจุบันอันความไม่เที่ยงอันน bueno ี้จังในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นทุกข์ก็เหมือนกันเห็นอนัตตาเหมือนกันเห็นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตากลมกลืนกันในปัจจุบันอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาชิ้น่วงไปที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ต้องสงสัย เห็นคุณพระพุทธพระธรรมสงฆ์ชัดในปัจจุบันคุณในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นความตายชัดในปัจจุบันความตายในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามความหลงของเจ้าตัวไปได้ก็สงสัยอยู่นั่นตะพุทธตะพอละถูกไหมอืม พูดให้ฟังง่ายๆบางทีก็บรรกรรมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพร้อมกับลมหายใจเขาออกเพราะมีแต่สังขารในกองทุกข์เข้าใจนะครับแต่ผมยังอยู่ในโลกอยู่นะครับบางครั้งการสัมผัสสัมผันเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายก็าทำให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆก็ได้ อยู่ข้งนก็เคยขอเมตตาจา อ, องครูก็เรียนีารไปดีนะครับเออแต่ก่อนเป็นอะไรมีคัดข้องอะไรก่อนที่ผมเคยจดหมายมาขอเมตตาองค์ครูครับมาจากจันทบุรีนะครับเออฉันตอบฉนตอบไปแล้วองค์ครูตอบแล้วครับได้อ่านจุกใจไมนะจุกใจมากครับเออ ตอแไปว่าถ้าชลอยว่าหลวงปู่แผ่เมตตาแล้วเขายังไม่ก็ยังเขายังโกงอยู่ก็ให้คิดซะว่าเราาื่อชาติปางก่อนเราเคยไปโกงเข้ามาอืมท่นทนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะขี้คายลงอืมผมก็คิดว่าประ่อชาติปางก่อนคงจะไม่ได้โกงเข้ามาหรอกครับเออไม่ได้โกงเข้ามาก่อใหม่เข้าใจทีนี้เข้า <c oughs> ใจแตอ อยเฉยเขาก็ไม่ทาอะไรเขานิงแล้วแต่เขาไปเขานิงแล้วแต่เขาไปยังไม่ยอมมาจ่ายเงินเขาไปยังเฉยอยู่นั่นแหละก็แล้วเงินมีมากขนาดอไอนเนี่ยอยู่กับเขาก็จะรายล้านอยู่แล้วก็แล้วนั่นพวผู้ที่ดินมันหาโอบายมันหาโอบายโกงอเออพุทธเดชพรพุทธศาสนา อันทรงพระคุณค่าไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ตุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นอย่งนี้ขอให้เขาเอาเงินมาให้หลูกูๆนะเพื่อ จะไม่ได้ก่อเอ็นก่อภัยกันไปในอนาคตเอว่าวุฒเทวดาพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกาฬยากโล ก, กรบาลทั้งสี่นิทัวทั้งใจรโลกรชาติซึ่งเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนจงบรรดนดานให้เขาเอาเงินมาให้สักอย่าได้มีเวรในภัยกันเลย เมตตาจะาองหลวงปู่ท่านเนย <Ừ. S 2> ลยครับอืวันช่วงนั้นท่านทําลวงปูไม่ได้เมตตาเยลยท่คงท่าไม่ได้มากราบหลวององปูแล้วก็แล้วก็ว <Ừ. S 2> บุญวายุพักหนึ่งแต่ก็คี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วครับอืเอาดีต่อสู้ครับจงชนะความไม่ดีของท่านผู้อื่น ด้วยความดีของเราจงชนะความเกียตรติกรานของเราด้วยความขยันของเราจงชนะความจองเวรของผู้อื่นด้วยความไม่จองเวรของเราจงชนะความชั่ ว, ชวร้ายของผู้อื่นด้วยความไม่เบียดเบียนของเราแต่ผมมีปัญหาทำมีข้ อ, ขอนะไรครับเท็กก์ เปียนถามมองปุงครับออืคือเวลาผมภาวนากลาคืนเนี่ยครับพอมันจะถึงอยู่พุทธงพุทธงไปเนี่ยมันจะพอมันจะหายหายยังไงเนี่ยมันพอมันจะืกลัวแล้วมันก็จะมันก็จะกําหนดไม่ได้อีกแล้วมันพอพอหลังจากที่มันคือเปิดภาวนาไปถึง นั่นมันจะตื่นยังไงไม่ทราบเหมือนมันจะหายไปนะครับเหมือนใจมันจะหายไปนะครับมันหายไปเหมือนมันมันกําลังจะหายไปมันลักษณะอย่างนั้นผมมันมันก็ตื่นมันก็ระหว่างระแวงที่นี้มันก็ก็ขนดไม่ไม่เข้าได้อีกครับไม่ทราบมันเป็นมันเป็นอาการยังไงหรือมันเป็นมันบริกรรมไม่พอก็ต้องบริกรรมอีก ต้องบริกรรมพุทโธเอากำหนดได้กำหนดให้ใจเขาออกใช่ไหมใช่ครับต้องทำให้ติดต่อมากๆอาศัยความติดต่อให้มากและทำอยู่เนือ ง, งด้วยและมีศรัทธาด้วยและมีความเชื่อด้วยและมีความขยันด้วยมีสติแลึกชอบด้วยมีปัญญารอบรู้ในที่นั่นด้วย มีความตั้งมั่นในที่นั่นด้วยฉันทะความพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจฟักใ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันตริตตองพิจารณาในกรรมฐานที่ตั้งไว้ คุณสี่อย่างนี้เบบอร์ีบุญแล้วอาชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเหลือวิสัยนี่เรียกว่าอิติบาทอิติบาทสี่ความให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันทะวิริยะกิตติมังสาอยู่ในเป้าอันเดียวพระพระคือทำให้กำลังห้าอย่าง ศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้รวมเป็นกองพลห้าประเภทเป็นเชือกข้าเกลียวอยู่ในปัจจุบันนั่นเองเข้าใจนะในปัจจุบันที่เป้าเราเพ่งอยู่นะั่นน่ะ สี่เป้าพุโทโธเราเพ่งอยู่นั่นน่ะอืมไม่เนื้อวิสัยครับต้องพร้อมหมดทุกอย่างเออพร้อมหมดทุกอย่างไม่เนื้อวิสยัยมันเป็นกําลังครับพร้อมทั้งห้าประการนี่ก็เป็นกองพลรวมเป็นกองพลห้าประเภทเราะอยู่รวมเป็นเชือกห้ากเกียวอยู่ในใจเป็นเรียกว่ากองพลห้ากองพลหรือสี่กองพลอยู่ที่ปัจจุบันนั่นเอง ปัจจวันที่ลมเข้าลมออกนครับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องนี้มันเรื่องนานมาแล้วก่อนที่ผมจะได้เข้ามาพบครูบาอจารย์สายปฏิบัติเนี่ยครับคือผมไปที่กรุงเทพไปทําบุญที่วัดโพธาเตียนนะครับเข้าจใจวัดโพธาตียนคเคยไปอยู่รู้สึกอิม่มเอิบใจมากครั้งนั้นเปครั้งแรกที่ผมได้เข้าเขอ้อบุญไปไปไหว้พระพระพุทธรูปที่นอนอยู่นั่นไง ไม่ไม่ใช่ครับพระพุทธรูปที่อยู่ในอุโบสถ น, นะครับมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันทีนี้ก็ได้นั่งไปก็มีญาติผู้ใหญ่ก็แนะนำว่ า, าให้ตั้งส ต, ติให้ดีให้ระลึกถึงพุทธโธมันจะเป็นด้วยเพราะไอ้เคียวห้าเชื่อยอย่างที่องคุว่าเนี่ยามันมันแรงกล้ามากไลยเชียวไนหะมมันจัศทากล้าครับรู้สึกว่า ผมนั่งแบบพักเดียวท่นั้นแนหะผมก็ไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งพาคนเลิกลงหมดแล้วแล้วก็มีคนเข้ามาเขย่าตัวผมแล้วผมถึงรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ก็ผมรู้ว่าผมไม่หลับอือวก็นั่งแข็งๆอ ย, อ, ยอยู่ตรงอย่างนั้นนะครับออืเขาก็เขาก็บอกผมว่าเขาเห็นนั่งคืบๆมานานแนละ้วก็นึกว่าเป็นอะไรก็ เ, เลยมาเขย่าตัวเรียกแต่ก็ผมก็แปลกใจทนถงวันนี้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ผมก็ไม่ทราบครับ ความศรัทธามันมันเกิดปีติความเพลินในศรัทธาของมันมันก็เลยลืมไปมันก็เลยเบาไปเพราะมันมีอารมณ์เดีเเยวเสียงอะไรก็ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเนะ่ยมันลงแล้วจิตมันลงจิตมันลงไม่มีไม่ได้ยินเสียงเลยในเวลานั้นถ้าเขามาร่วมกระเป๋าไม่รู้เลยนะครับครับ <laughs> ไปในรถในเรืออยากให้มันรวมถึงขนาดนั้นให้มันก็ไม่เคยทุกทีก็มีข้างนั้งข้างเดียวนะครับเออถ้ายเราอยู่ในบ้านของเราให้มันรวมอย่างนั้นไม่เป็นปัญหาถ้าเราอยู่ไปในรถในเรืออยากให้มันรวมอย่างนั้นครับถ้ารวมอย่างนั้นเขาก็มาหนีบกระเป๋าหมดนะครับไปในรถในเรือต้องใช้ปัญญา คนอยู่นี้มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทั้งนั้นมีแต่สังขารทั้งนั้นพูดอย่างนั้นมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเลยว่าอย่างนั้นคนอยู่ในนี้ที่รถในรถนี้มีแต่ร่างกระดูกเต็มอยู่ว่าอย่างนั้นก็มีแต่ธาตุดินเต็ April, ureau, ใ Hanım, catching, ม, มในรถมีแต่ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเต็มในรถ แม่ตัวรถก็มีธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันผู้ขับรถก็มีดิธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันคนอยู่ในรถก็มีธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันใช้วิธีวิปัฒนาเนี่ยเดี๋ยวมันจะง่วงลับเขาจะหนีบกระเป๋าไปในรถในเรือขับรถกันเรือก็พุทโธพุทโธอยู่กับมือ พุทโธพ ท, ทอยู่กับมือกับเท้ า, าที่เราอยู่กับหูกับตาที่เรามองทิทางอยากให้มันรวมถ้ามันรวมมือหลงลงสนุนนะ <c oughs> แต่เราเคยเป็นอยู่ครั้งเดียวนะก ร, ะรสาสวเรียนถ า, ามโมกูสาวบอกมันเป็นยังไงกันเขไม่เข้าใจครับอันนั้นเป็นเป็นอัปปนาสมาธิอันสมาธิแนวนี่อัน วิปัชนามันรวมแบบมีปัญญารวมแบบมีสติวิปัชนาปัญญามัน hey, เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงตามเป็นจริงของไม่เที่ยงเห็นธาตุดินตามเป็นจริงของธาตุดินเห็นธาตุน้ําตามเป็นจริงของธาตุน้ําเห็นธาตุไฟตามเป็นจริงของธาตุไฟเห็นธาตุลมตามเป็นจริงของธาตุลมออันนี้มันเป็นปัญญาเนี่ย เออพระผักมากจะกลับวันนี้เลยหรือก็พอดีมีพระมาด้วยองคหนึ่งท่านไปเยี่ยมพ่อท่านที่ถูกรถควาที่เสลีภูมนะครับน้องยัง ม, มาทําบมาและกะกะว่าคืนนี้จะมาฟังเทศน์องค์ลงปูนะครับอือก็คอยฟังซะก่อนรอยท่านซะก่อนอือครับอืออือถ้าพระ<ป>พุทธศาสะนาหมด แต่ยังไม่มีคิวมนุษย์ทุกทุกท่านจะได้หันหน้าเข้ามาศาสนาพุทธหมดถือศาสนาใดๆก็ตามชุดท้ายก็จะได้โคก ม, มาหาศาสนาพุทธมิฉะนั้นสุปฏิปันโนไม่เปิดประตู เช่นพระโมคคณาสารีบุตรก็หันหน้าเข้ามาสู่ศาสนาพุทธเสียก่อนจึงเปิดประตูพระโสดาบันมันมีเป็นตัวอย่างแล้วโมคคลาสารีบุตรอยู่สนใจัยนาตบุตรพิจ น, นาจิตหน้าใจหน้าสติหน้าปัญญ า, มาเมื่อเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเสียก่อนจึงสําเร็จสุปฏิรัญโหน รัตที่อื่นๆไม่มีสุภจรป น, นเมื่อไม่มีสุภจรโนูก็อุชุยายะสามีก็ไม่ต้องหงวังเพราะเป็นโลกีโลกุตระมีในพระพุทธศาสน า, าเท่านั้นผู้ที่พิ้นหน้ามาหาพระพุทธศาสน า, าเป็นผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วผู้ที่ยังไม่พิ้นหน้าสติหน้าปัญญามาเลื่อมใสพระพุทธศาสาศานา ก็สอนแสดงให้เห็นว่าบารมียังต่ำอยู่เหลือเกินตําเป็นก็จะได้มายกธงขาวต่อพระพุทธศาสนาเสียก่อนจึงกะสุพจิปปโนโ อ, อยุยยายะสามีเป็นลำดับไปหูขาดจองขาดแล้วโหนเอกพระบรมศาสนาไทายไว้แล้ว ในมหาภานิพานสูตรชาตะอื่นไม่มีชื่อพระเจ้โนชุยยายะสามีเลยไม่ก็มีในพุทธเท่านั้นทุกยกทุกสมัยของโลกทุกยกทุกสมัยของพุทธเจ้าอีกด้วยไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดตามธรรมาธิปไตยตามความเป็นจริงเรียกว่าอริยสัจัง เนื้อฉะนั้นพระพุทธศาสนาพระบรมศาสนาจึงเคารพธรรมจึงยอมเคารพธรรมไม่สําคัญตั ว, วอยู่เนือธรรมถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนพระบรมศาสนาก็ไม่สามารถจะรู้ได้ทำมีอยู่ก่อนแล้วพระพุทธพระบรมศาสนาทุกๆพระองค์จึงสามารถรู้และก็เป็นธรรมอันเดียวกันด้วยไม่ใช่ว่าธรรมของพระกุกุสันโธโกนาคัมโนกสัสโปโคตโม หรือกับแต่ละกับระกับก็ต้องมีธรรมะแย่งกันไม่ได้มีลงเอยกันเลยพลิดกันแต่สร้างบา ร, รมีน้อยหรือมากเท่านั้นเพราะบางท่านก็ศรัทธาที่กะปัญญาที่กะวิทยาที่กะผู้ปัญญาที่กะก็ทัศรู้ได้แล้วเหมือนพระโคดมของเราน่เองแต่เป็นธรรมอันเดียวกันแต่พิกกันที่สร้างบา ร, รมีอ่อนสร้างอะไ ร, ร ม, มากหรือน้อยเท่านั้น ผู้วิญญาณิกะก็สร้างบา ร, รมีมากผู้ศรัทธาทิกะก็สร้างบา ร, รมีขนาดกลางปัญญาทิกะสร้างบา ร, รมีน้อยแต่ว่าหนักทางปัญญาเหตุฉะนั้นชีวิตจึงมีเพียงร้อยปีเป็นเกณฑ์หรือมากกว่านั้นมากก็มีน้อยกว่านั้นก็มีทีนี้พี่น้องจะทําอะไรก็ทําซะออืเพราะยังไม่เสร็จ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 บทงสรนังรัชามิคมังสระังรัชามิสร้างขังสรนังรัชามิดูติยมเพียบททางสระนังรัชามิดติยมเพียทำังสรนังรัชามิดติยมเพีสร้างขังสรนังรัชามิ ตติยมเีบทังสรังอามติยมเพยธรรมังสังชามีสรังัาตติยมเังสังอาามิียาังสรัมมสรังัาชามตติยมเีสงังสังอามตติยัอาิีสร้างังรังสร้งังสรัามิสรังชามมีสางังาังเติางังารัาติเราาเมติยมีสร้าังสาาชามิยีา อดีนาดาเวรมนีสิกขาเรังสมาธยามิตาเมเมิจาจาราเวรมนีสิกขาเพรังสมาธยามิมุสาวาลาเวรมนีสิกขาเพรังสมาธยามิ สุรามีะยามิเช้าพโมยดาธานาเวรมนีศีขาปะรังสมารียามีที่าเนี่ยปัญญาศีขาปะดาเนเชเลนะสุขติสิงันตีเชเลนะโภคสัมปะดาทีเรนี่ปุถิงหันตีตัตสมะฮสิลังวิโสทเจ of uh that -huh. ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าภายนอกพระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจเป็นผู้สร้างบุญขึ้นสร้างบาปก็เหมือนกันบาปก็จิตใจเป็นผู้สร้างขึ้นบุญก็จิตใจเป็นผู้สร้างขึ้นไม่ต้องสงสัยว่าบุญอยู่ที cookies, ่ไหนบาปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเราถ้าเราสร้างขึ้นถ้าเราไม่สร้างขึ้นมันก็ไม่มีใจเป็นผู้สร้างขึ้นไม่ได้ลอยมา ภายนอกบาปก็ไม่ได้มาภายนอกบุญก็ไม่ได้มาภายนอกใจเป็นผู้สร้างขึ้นความดีความชั่อใจเป็นผู้สร้างขึ้นทั้งนั้นไม่ไม่ใช่อันอื่นไม่ใช่พราะพุทธเจ้าทางอื่นเหมือนศาสนาอื่นพระพุทธลัทธิศาสนาจึงบอกว่าพวกเราทั้งหลายเป็นผู้สร้างขึ้นเราเป็นเพียงชื่อบอกเท่านั้นพระพุทธลัทธิศาสนาสอนอย่างนั้นเราอย่าไปสงสัยว่า เลิกดียามดีดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ใจของเราพระใจเราทำดีก็ต้องเป็นเลิกดีใจเราทำชั่วก็เป็นเลิกชั่วอยู่ที่ใจเราอย่าไปกล่าวตู่ภายนอกภูมิพะสดาวันไม่ได้กล่าวตู่ภายนอกดีหรือชั่วก็กล่าวตู่ตนเองตอนไหนทำดีก็ให้คะแนนตนตอนไหนทำชั่วก็ติเตียนตนพูดถึงพะสดาวัน ผูนั้นไม่ร่วงระบอบายามุกพูดถึงข้อสวัสบาลไม่เสียดายร่วงอบายามุกไม่เสียดายร่วงละเมิดศีลห้าไม่เสียดายอยากจะถือศาสตร์ใดอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกับพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกพยายามดีธราเราดีเวลาไหน ยึดใจของเราก็เป็นเลิกดีเวลานั้นเราทําชั่วเวลาไหนเลิกยึดเลิกใจของเราก็ชั่วในเวลานั้นเฉพาะของใครของมันและไม่ถือศาสตรราอื่นไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสตรราอื่นเพราะตั้งสัตยาธิษฐานไว้แล้วเพราะตั้งอธิษฐานไว้แล้ว ทำไมจึงอธิษฐานเพราะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยพอใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้พอใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือพระโสดาบันเราดีๆนี่เองเพราะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนะดวงตาเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบแตกครบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แตกว่าเป็นศาสตราเอกในโลกทุกยุคทุกสมัยไม่สงสัยคําสอนเลย เป็นมนุษย์สมบัติแจ่มภูมิเป็นสวรรค์สมบัติแจ่มภูมิเป็นพรมสมบัติแจ่มภูมิเป็นนิพพานสมบัติแจ่มภูมิไม่มีศาสตร์สนาใดๆที่จะละเอียดละ อ, อ่เท่าพระพุทธศาสนาเลยเห็นดิ่งอย่างนี้แล้วกว็คือดวงตาเห็นธรรมนั่นเองเรียกว่าละสักกายทิตถีแล้วไม่ถือตนถือตัวในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ วิจิตราไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกด้วยไม่รูกครัมคือไม่สงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเสียระพตาปรมาตย์ไม่รูปครัมไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่รูปครัมในจิตในใจก็ไม่รังเลสงสัยนั่นเองจิตใจดึงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถอดไม่ออกแผ่นดินนาสองแสนสี่หมื่นโยศหรือมากกว่านั้นก็ตามขาลุกะเบิดปรามานุทำลายแตก จิตใจถึงวัคพุปธรรมประสงค์แล้วไม่มีท่านผู้ใดจะมาทําให้จิตใจแตกเลยนี่เป็นมงคลอันอุดมดีของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าสมมนานั้นจะทัดสนงังสัมมนานั้นจะทัดสนังก็คือเห็นคุณของวัคพุทธรรมพระสงค์อันไม่มีประมาณนั่นเองเรียกว่าสมมนาอันจะทัดสนงังเอตมมังคะระมุตตะมังเป็นมงคลของ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นมงคลอันอุดมของเทวดามนุษย์ทั้งหลายเป็นโลกุตระความเห็นไม่ใช่โลกีความเห็นเป็นสัมมาทิฐิเบื้องต้นในธรรมพุทธศาสนาจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็ตามแต่ถ้ายังสงสัยพระพุทธธรรมประสอง์อยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดาบัน จะจําพระไตรปิฎกได้ครบแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์ก่อตั้งแต่ยังสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นคําสอนด้อยกว่าศาสตราอื่นๆอยู่ก็เรียกว่ายังไม่เป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิเป็นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นของพระสวสดาวันสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายของพระหลังสัมมาทิฏฐิ พระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์มียิ่งยอนกว่ากันสมาทิฏิพระอรหันต์เป็นสมาทิฏิบริบูรณ์แล้วเห็นชอบแล้วเห็นชอบจากกิเลตทั้งภวงว่าไม่มีในตนพ้นจากกิเลตทั้งภวงไปแล้วเรียกว่ามาหาสมาทิฏิอันนั้นสมาทิฏิเบื้องต้นคือพระตัวดาบันเลื่มใสในพระพุทธศาสนาไม่ถอยหลังเลย ผู้ภาวนาเพื่อหวังพ้นทุกข์ในมัตตาสงสารต้องภาวนาไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเลยเพราะในไตรโลกธาตุมันยัดเยียดจะไปด้วยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วยัดเยียดไปด้วยสังขารธรรมไม่มีอันใดจะเจรียงยั่งยืนเลยในไตรโลกธาตุ สิ่งที่เป็นวัตถุนิยมหรืออดมกติภายนอกจะ ก, ก้าวหน้าไปหาความเจริญในทางโลกุตระก็คือสุพจน์ ป, ปนุเท่านั้นเหลือนอกนั่นก็ไม่แน่นอนเพราะหลายบางทีบางทีเ็ไปสวรรค์มากบางทีเ็ไปเทวโลกบ้างบางทีเ็ไปพรหมโลกบ้างบางทีเ็ไปเป็นสัตติลัาร์บ้าง บางทีเขาไปเป็นเปรตบ้างบางทีเขาไปนรกบ้างบางทีเขาไปมนุษย์บ้างส่วนชุบุิปันโนมีหน้าที่ไปมนุษย์กับสวรรค์เท่านั้นกับเทวโลกเท่านั้นหรือภมมาโลกหรือพระเนผานมีหน้าที่ดิ่งไปในทางโลกุตระไม่ได้ดิ่งมาทางโลกี ภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็าตามถ้าสงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นพระสวสดาวันถ้าไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ไม่เสียดายอยา ก, กถือศาสตราอื่นมันก็ไม่เสียดายอยากจะล่วงละเมิดในเซนห้าเพราะเป็นเี้นเบื้องต้นไม่เสียดายอยากจล่วงละเมิดอบายยมุข พระเป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิและก็เป็นสวรรค์สมบัติเต็มภูมิและก็เป็นพรมสมบัติเต็มภูมิเหมือนกันเป็นินพานสมบัติเต็มภูมิเหมือนกันเพราะไปสายเดียวกันํำกวอนนั่นลงมาเป็นโลกีพุทธโททรงไหวซึ่งพระนินพาน ธ ร, รมโอปฏิบัติเพื่อพระเนพานาสังโฆธ ร, รมโมทรงไหวซึ่งพระเนปาลพุทโธเพื่อรู้พระเนปาลธรมโอทรงไหวซึ่งพระเนพาลสังโฆปฏิบัติเพื่อพระเนพานตกลองพุทโธธรมโอสังโฆมีเจตนาะอันเดียวกันกลมกืนกันไม่ใช่พุทโธเลขพุทโธผาพุทโธบัตพุทโธเบอร์อันนั้นเป็นโล ก, กีอันนั้น ที่นี่ท่านผู้ใดจะปารนอะไรก็ปภารบซะในเรื่องภาวนาสงสัยเรื่องภาวนาอะไรก็พูดมาซัเรื่องภาวนาถ้าหวังเพื่อพ้นทุกข์ในวัรทรงสารมันก็ไม่ต้องลำบาภาวนา กายเป็นจัตสักว่ากายเวทนาเป็นจัตสักว่าเวทนาจิตเป็นจัต่สักว่าจิตทำเป็นจัตสักว่าทมหาได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏฏะทุงสารไปทางรัทผู้ไปติดติอยู่กับนิมิตนิมิตเทวุทเทวดาสวรรค์นรกอนันเนินและเกิดเนินชานิมิต เทวบทเทวราสวรรค์ก็ตามเพราะอยู่ใต้อำนาจอนิจจังไม่เสด็จยั่งยืนถ้าเห็นอนิจจังขณะคิดหนึ่งก็เห็นหมดใจโลกธาตุนรกสวรรค์ก็เห็นหมดเพราะอยู่ใต้อำนาจอนิจจังสิ่งไหนอยู่ใต้อำนาจอนิจจังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือโลกเราดีๆนี่เอง ก็คือสันขานเราทนี่เองทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเราจะภาวนาให้ข้ามความหลงของเราจะไม่ให้หลงสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์มาเป็นของสุขสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนยืนยันว่าเป็นตัวตนสิ่งที่ไม่สวยไม่งามยืนยันว่าสวยว่างามคืออะไรคือนักหุ่มอยู่ในรอบ เราจะข้ามทะเลหลงอันนั้นถ้าข้ามทะเลหลวงแล้วกิเลสของเราก็ไม่มีความหลงของเราก็ไม่มีความทเยอทายาในโลกทางปว่ก็ไม่มีก็ยินดีในพระนิพานสิ่งเดียวดิง่งทําไมจึงยินดีในพระนิพานสิ่งเดียวดิง่งเพราะเห็นว่าโลกจำเป็นว่าควาทุกข์ไม่สงสัยว่าโลกจะเป็นอื่นนอกจากทุกข์ นอกจากอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สำคัญว่าโลกจะไปเป็นอื่นนอกจากนี่เป็นเมืองเึ้นของอนิจจังทุกขังอนัตตาสังข า, ทางรทั้งปวงเกิดขึปป้นได้แพร่พวนธุนะ้แ่ะแตกกระยเหตุฉะนั้นจึงยินดีในพระานสิ่งเดียวจึงไม่พอใจในสังข า, ทางรทั้งปวงจึงพอใจในพระานสิ่งเดียวยินดีในโลกทั้งปวง เพื่อจะเกิดจะแก่จะเก็บจะตายอีกก็คือยินดีในหลุมฐานเพลิงเราดีๆนี่เองนั่นจะเกิดกี่ชาติกี่ภพก็าตามก็ทุกขทั้งนั้นชาติพิทุกขาเมื่อชาติพิทุกขาผูกขาดจองขาดแล้วก็ไม่ยินดีในชาติเมื่อไม่ยินดีในชาติก็ไม่ยินดีในภพมีความหมายอันเนี้ย ก็มายินดีในความหลงทางปวงเพราะพระนผ่านมาใครคาดเหนือผู้ลูกไปจนไม่มีที่หมายพุทโธไม่พามาโลภมาโกรธมาหลงธรรมโมทรงไววซึ่งทำอันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสังโฆปฏิบัติเพื่อไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพุทโธ ไม่พามาเกิดแก่เก็บตายอีกธรมโอทรงไว้ซึ่งทำอันไม่มาเกิดแก่เก็บตายสังโฆปฏิบัติเพื่อไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกอันนั้นเป็นพุทธโธชั้นสูงอันนั้นเป็นธรรมโอชั้นสูงเป็นสังโฆชั้นสูงอันนั้นปฏิบัติเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อพ้นลุทุกนายวตฏฏสังสารเนะีปัญหาไม่มีมาก ที่ปัญหามันไม่มากก็เพราะไม่เห็นวัตตะสงสารชัดถ้าเห็นวัตตะสงสารชัดเราจะไปด้วยกองทุกข์ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเนี้ยปัญหาก็ไม่มากต่อไปนี่ก็ให้พ่ อ, นะอแล้วเอาลวนะสัพโลคเวนีโมโตสัพสันตาวาติโตสภพเวนามาทศกันโตยิปโตจตัวอังภาวะนะพีจิโยวัดยันโตสภโรโคเวนั สตตุมาเตปวัตตวันทรารโยตุขีติคายโยโพภ ะ, ะอภิวานธนสีนิสานิจังมุตตาปชานิโนจตตารุธรมาวันติอายุวันโนสุ ข, ขังพระราด้วยเดชแถวว่าพุทธศาสนาอันทรงพระกุนข้าไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ตุ ก, การด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อหรือไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาไม่ขึ้นอยู่กับผู้ละลึกถึงหรือไม่ละลึกถึงเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่ได้มาก็าดีด้วยเดชพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้วนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ย, ยิ่งขึ้นไปทุกๆด้านในทางที่ชอบจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อ ไม่มีประมาณนั่นเธอ